เรื่องที่เคยมีมาแล้วพระราชาแห่งแคว้งกาสีซึ่งครองราชสมบัติอยู่ในราชธานีซึ่งมีนามว่าพารางสีพระองค์ทรงพระนามว่าพรหมทัตแต่ทรงมีกำลังทรัพย์กำลังคนพาหนะมากมายส่วนแคว้นที่ถัดไปชื่อว่าแคว้นโกศลพระราชาของแคว้นนั้นทรงพระนามว่าทีขีติ มีกําลังทรัพย์กําลังคนพาหานะน้อยพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีก็ได้ทรงยกพยุหเสนาไปตีพระเจ้าโกศลซึ่งทรงพระนามว่าทีคีติพระเจ้าทีคีติแห่งแคว้นโกศลทรงได้สดับข่าวการศึกก็ได้ทรงดําริว่าแคว้นนี้มีกําลังทรัพย์กําลังคนพาฮานะน้อยไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ จึงได้ทรงพาพระมเหสีหนีออกจากนครพระเจ้าพรมทัตแห่งแคว้นกาสีก็ได้ทรงครอบครองแคว้นโกศล น, นั้นโดยไม่ต้องมีการต่อสู้ฝ่ายพระเจ้าทีกิติแห่งแคว้นโกศลก็ได้พาพระมเหสีหนีไปอยู่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นราชธานีของราชสตรอนั่นเองแต่ว่าก็ได้ทรงไปอาศัยอยู่ในนิเวศของนายช่างมอง ในโอกาสที่อยู่ชายเมืองทรงปล่องพระองค์เป็นปริพาชก ค, คือเป็นนักบวชที่นุ่งผ้าขาวเมื่อประทับอยู่มาพระมเหสีก็ประชวนพระขันก็เกิดความปรารถนาที่จะได้ทรงเห็นเสนาอันประกอบด้วยองค์สีในเวลาอาอทิตย์ไุยกับทรงปรารถนาที่จะได้ดื่มน้ำล้างพระขันก็ได้ทูลแก่พระราชสวามี พระราชสวามีก็ตรัสว่าในขณะที่ขัดสนจนยากอย่างนี้จะไปเอาเสนาที่มีองค์สี่กับน้ำล้างพระขันมาจากไหนพระมเหสีก็ทูลบอกว่าถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ดื่มก็จะตายพระเจ้าทีคิติได้ท่งสสด็จดังนั้นก็ท่งเสด็จไปหาพรามปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นสหายกันมาและก็ได้ไปเล่าความให้ฟัง พราหมูโรหิบนั้นก็ตอบว่าจะขอไปเฝ้าพระมเหสีก่อนแล้วก็ได้ไปเฝ้าพระมเหสีของพระเจ้าทีคิติในขณะที่ได้เห็นพระนางเสด็จดำเนินมาก็ประคองอัญชลีแล้วก็เปล่งอุทานขึ้นว่าราชาแห่งแคว้นโกศลอยู่ในพระขันขอพระเทวีอย่าได้เสียพระไทยจะได้ทอดพระเนตรเห็นเสนาที่มีองค์สีและจะได้ทรงดื่มน้ำล้างพระขัน ครั้นแล้วพราหมณ์ปโรหิตนั้นก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ได้กราบทูลว่าได้ปรากฏนิมิตขึ้นซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลาอาทิตย์อุทัยขอให้เสนาที่มีองค์สี่ซึ่งได้ผูกสอดครบเครื่องออกสนามแล้วจงยกออกไปตั้งอยู่ในภูมิอันดีและก็ขอให้จำรละล้างพระขันพระเจ้าพรหมทัต ก็ได้โปรดอำนวยให้ปฏิบัติเหมือนดังที่พราหมณ์ปรโรหิตทูนแนะนำพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติก็จึงได้ทอดพระเนตรเห็นเสนาที่มีองค์สี่ในเวลาอาทิตย์อุทัยและได้ทรงดื่มน้ำลางพระขันต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติก็ประตุพระโอรสก็ได้ประทานพระนามว่าทีคาวุเมื่อทีคาวุกุมารเจริญวัยขึ้นพระราชบิดา ก็ทรงลาำฤทธิ์ว่าถ้าจะให้อยู่ด้วยกันถ้าพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบก็จะจับไปกระทําอันตรายเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแยกให้ทีขาวุกุมานไปอยู่เสียอีกส่วนหนึ่งและก็ทรงให้เล่าเรียนศึกษาศิละปะวิทยาพระราชกุมาร น, นั้นก็ได้ทรงศึกษาศิละปะวิทยาอยู่ในภายนอกพระนครต่อมาจ่างกระระบบเก่าของพระเจ้าทีกิติแห่งแคว้นโกศล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 และก็ให้ประทับอยู่ในรถและให้พาตระเวนไปตามถนนสี่แพร่งสามแพร่งในพระนครและก็ได้สั่งว่าเมื่อได้ตระเวนไปทั่วแล้วก็ให้นำออกไปภายนอกพระนครแล้วก็ให้ตัดออกเป็นสี่ท่อนเสียประจานไว้ในขณะที่เขาได้นำทั้งสองพระองค์ตรเวนไปในพระนครนั้นก็พอดีทีขาวุกุมานมีความคิดถึงพระราชบิดาและพระราชมารดา ก็ได้เข้ามาเพื่อจะเยี่ยมครั้นมาเห็นก็กําลังตระเวนพระองค์อยู่ก็ตามไปดูพอดีทั้งสองพระองค์นั้นก็ได้ทรงเห็นพระราชาโอรสพระเจ้าทีคีติก็ได้ตรัสขึ้นลอยๆว่าดูก่อนที่ขาวุจงอย่าเห็นยาวอย่าเห็นสั้นเวนย่อมไม่ระงับด้วยเวนแต่ว่า เวรระ ง, งับด้วยความไม่มีเวรพวกมนุษย์ก็พากันกล่าวว่าพระเจ้าทีคิติทรงเสียสติใครเป็นทีขาวุได้ตรัส ด, ดังนี้แก่ใครแต่พระเจ้าทีคิติก็ทรงตรัสอยู่อย่างนั้นสองสางครั้งและก็ตรัสว่าพระองค์มิได้ทรงเสียสติวินยูชนก็จะรู้ได้ทีขาวุกูมาน ก็คงไม่กล้าที่จะได้แสดงพระองค์ว่าเป็นพระราชาโอรสก็ได้ประปนอยู่กับหมู่ชนฝ่ายพวกเจ้าหน้าที่เมื่อได้นาทั้งสองพระองค์ตระเวนไปทั่วแล้วก็ได้นาออกนอกเมืองแล้วก็ได้ปฏิบัติตามพระรา ช, ชาแล้วก็ตั้งกองเฝ้าประสบถูกเสียบนั้นไว้อยู่พระราชกุมารก็ได้ส่งหาสุรามามอมพวกนั้นจนเมาแล้วก็เก็บพระสพ มาถวายพระเพลินแล้วก็รีบเสด็จหนีออกไปจากเมืองและต่อมาก็ได้เข้ามาในพระนครนั้นและได้เข้าไปฝากตัวทางานอยู่กับนายหัตถาาจารย์คืออาจารย์ฝึกช้างของพระเจ้าแผ่นดินนายหัตถาอาจารย์ก็ได้รับไว้ให้ศึกษาในวิชาเกี่ยวแก่ช้างในตอนเช้าพระราชารก็ลุกขึ้นแต่เช้าและก็ได้ดีดินกับกับร้องประสานเสียงพิน พระเจ้าพรหมทัตตื่นบรรทมขึ้นตอนเช้าส่งได้สดับเสียงนั้นก็ได้ตรัสถามเขาก็โูรให้ส่งทราบว่าเป็นเสียงพินและเสียงขับของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิของหัดถาจนาก็ได้ตรัสให้นําเอามานุษยนั้นเข้าเฝ้าเจ้าหน้าที่ก็ได้นําทีขาวุกุมานเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตได้เห็นทีขาวุกุมานก็เกิดโปรดปรานและก็ได้ทรงรับไว้ให้เป็นมหาเล็กใกล้ชิด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 ในวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตก็โปรดให้ทีขาวุกุมานเทียมราชรถเพื่อจะเสด็จไปส่งล่าเนื้อทีขาวุกุมานก็ได้ปฏิบัติตามพระราชประสงค์พระเจ้าแผ่นดินก็ได้ส่งราชรถได้มีทีขาวุกุมานเป็นผู้ขับมา้าพระกุมารก็ได้ขับราชรถไปโดยเร็วจนถึงเสนาตามไม่ทันและได้เข้าไปในป่าจนถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็หยุดรถ พระเจ้าพรหมทัตได้โปรดให้พระราชกุมา น, นั่งลงและพระองค์ก็ทรงบัรทมโดยหนุนพระเสียงอยู่บนตักของทีขาวุกุมารแล้วก็บันทมหลับไปในขณะนั้นทีขาวุกุมารก็ได้ระลึกถึงเวรกล่าวว่าบ้านเมืองของเราก็พระเจ้าพรหมทัตนี้ได้ส่งย่ำยีมารดาบิดาของเราก็พระเจ้าพรหมทัตนี้ก็ได้ส่งฆ่าเสีย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 ครั้งที่สองก็เกิดะระลึกถึงเวรเก่าขึ้นมาก็เกิดความคิดที่จะจัดการจําระเวรให้สิ้นเหมือนดังนั้นก็ชักพระขันออกมาอีกแล้วก็ทรงะระลึกถึงพระโอวาทของบิดาขึ้นมาก็สอบพระขันกลับในครั้งที่สามก็เป็นอย่างนั้นในขณะที่ได้สอบพระขันกลับในครั้งที่สามนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ตื่นบรรทมสเสด็จลุกขึ้นอย่างพลันพลันแล้วก็ตรัสว่า ได้ทรงฝันเห็นทีขาวุกุมานซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าทีกิติประหารพระองค์ด้วยพระขันจึงได้ตกพระไถยตื่นบรรทมขึ้นทีขาวุกุมานก็จับพระเสียรของพระเจ้าพรหมทัตด้วยหัดเบื้องซ้ายแล้วก็ชักพระขันออกด้วยหัดเบื้องขวาแล้วก็ประกาศตนขึ้นว่าเรานี้คือเป็นโอรสของพระเจ้าทีกิติซึ่งชื่อว่าทีขาวุกุมานนั้น พระองค์ได้ทรงทำความพินุณาให้แก่บ้านเมืองให้แก่มารดาบิดาเป็นอันมากบัดนี้ก็ถึงเวลาที่จะทำระเวณกันซิทีหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตยิ่งตกพระทัยแล้วก็ทรงเหมาะพระองค์ลงขอชีวิตแก่ทีขาวุกุมารทีฆาวุกุมารก็ทูลบอกว่าตนอาจจะถวายชีวิตแก่พระองค์ได้อย่างไรก็ขอให้พระองค์ประทานชีวิตให้แก่ตนด้วยพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสว่า ก็ถ้าอย่างนั้นก็เจ้าจงให้ชีวิตแก่เราเราก็จะให้ชีวิตแก่เจ้าเป็นอนุภาทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ให้ชีวิตแก่กันและกันแล้วก็ได้กระทําการสะบทสาบานเพื่อที่จะไม่ประทุสร้ายกันต่อไปพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จขึ้นประทับบนรถและทีฆาวกุมารก็ได้ขับรถกลับสู่พระนครครั้นเมื่อเสด็จกลับเข้าไปถึงพระนครแล้ว ก็ได้ตรัสให้ประชุมเสนาอมาตย์แล้วก็ได้ตรัสถามขึ้นในที่ประชุมว่าถ้าหากว่าท่านเทกถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเห็นทีฆาวุกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าทีกิติจะทําอย่างไรพวกอมาตย์เหล่านั้นก็ทูลว่าจะตัดมือบ้างจะตัดเท้าบ้างจะตัดศรีรษะบ้างเป็นต้นพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสขึ้นว่านี่แหละเป็นทีฆาวุกุมาร ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าทีกิติแต่ว่ากูมานี้ใครๆไม่ได้เพื่อจะทาอะไระไรทั้งนั้นเพราะกูมานี้ได้ให้ชีวิตแก่เราและเราก็ได้ให้ชีวิตแก่กูมานี้ต่อจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ได้ตรัสถามขึ้นว่าในขณะที่บิดาของเจ้าจะตายได้กล่าวไว้เป็นโอวาทแก่เจ้านั้นมีความหมายอย่างไร ที่ขาวกุมารก็ได้ทูลอธิบายว่าที่ตรัสไม่ว่าอย่าเห็นแก่ยาวก็คือว่าอย่ากระทำเวีนให้ยาวที่ตรัสว่าอย่าเห็นแก่สั้นคือว่าอย่าแตกมิตรให้เร็วนักแล้วก็ที่ตรัสว่าเวีย่อมไม่ระงับด้วยเวีนนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าข้าพระองค์จะพึงปรงเทวะจากชีวิตฝ่ายพวกที่จงรักพักดีต่อเทวะ ก็จะปรงฆ่าพระองค์จากชีวิตแล้วก็ผู้ที่จงรักปกตีต่อฆ่าพระองค์ก็จะปรงชีวิตพวกนั้นต่อไปอีกก็เป็นอันว่าเวนไม่ระ ง, งับด้วยเวนแต่ว่าเมื่อฆ่าพระองค์ได้ทรงถวายชีวิตแก่เทวะแล้วก็เทวะประทานชีวิตแก่ฆ่าพระองค์เหมือนดังนี้เวนก็เป็นอันระ ง, งับด้วยความไม่มีเวนเพราะฉะนั้นบิดาของฆ่าพระองค์ จึงได้โอวาทไว้ในเวลาที่จะตายว่าเวนย่อมไม่ระงับด้วยเวนแต่ว่าย่อมระงับด้วยความไม่มีเวนพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงสรรเสริญพระราชกุมารและได้พระราชธทานแขวนโกศลพร้อมทั้งผลภาหนะสมบัติทั้งหมดซึ่งเป็นของพระราชบิดาซึ่งพระองค์ทรงยึดมานั้นคืนแก่ทีขาวุกุมารทุกสิ่งทุกอย่าง และก็ได้พระราชทานพระราชธิดาของพระองค์ด้วยต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าแม้พระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นซึ่งได้มีสัตว์ราอาวุธอยู่ในพระหัตต์ก็ยังมีขันติความอดทนโสรจัตรความ ส, มบสงบเสงี่ยมเหมือนอย่างนั้นและข้อที่ท่านทั้งหลายบวชในธรรมวินัยที่กล่าวดีแล้วอย่างนี้จะพึงเป็นผู้มีขันติโสรจัรก็จะเป็นความงดงาม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 ที่ท่านเล่าไว้เรื่องทีขาวุกุมานี้เจ้าพระควรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิยรยานวงศ์ได้ทรงประพันธ์เป็นฉันไว้เรียกว่าทีขาวุคำฉันนับว่าเป็นเรื่องที่มีกติกสอนใจเรื่องหนึ่งต้นเหตุของสังฆเพศ เรื่องความแตกแยกร้าวรานกันของสงฆ์ที่เกิดขึ้นในกรุงโกสัมพีในรัฐหวังสะนั้นในชั้นบาลีคือตำราพระพุทธศาสนาที่เป็นรุ่นแรกเรียกว่าชั้นบาลีไม่ได้กล่าวไว้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไรและเกิดขึ้นในหรือนอกกันสาส่วนในหนังสือชั้นอัตถกถาคืออธิบายความของบาลีซึ่งแต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้วหลายร้อยปี โดยมากก็กำหนดกันว่าขนาดพันปีจึงได้มีกล่าวไว้ว่าเกิดขึ้นในพรรษาที่9นับแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและในชั้นอัตกถานั้นก็ยังได้เล่าเรื่องพิสดารออกไปอีกคือเล่าว่าพระพิสุสองรูปที่เป็นต้นเหตุนั้นก็คือพระธรรมทรรูปหนึ่งพระวินัยทอนรูปหนึ่งพระธรรมทรแต่ว่าเรียกโดยมากว่าพระธรรมกถึก ได้ไปวัดจกุูดีซึ่งมีบัญญัติให้ใช้น้ำและไม่ให้เหลือน้ำทิ้งไว้ในภาชนะน้ำแต่ว่าพระธรรมกถึกเข้าวัดจกุูดีแล้วก็เหลือน้ำทิ้งไว้ในภาชนะน้ำพระวิัยทอนเข้าไปทีหลังออกมาก็บอกแก่พระธรรมกถกว่าท่านเหลือน้ำทิ้งไว้ในภาชนะน้ำต้องอาบัตพระธรรมกถกก็ตอบบอกว่าท่านไม่รู้ว่าเป็นอาบัตเพราะเหตุที่กระทานั้นแต่ว่า เมื่อเป็นอาบัตท่ทานก็จ ะ, สะแสดงพระวินัยทรก็บอกว่าเมื่อไม่จงใจก็ไม่เป็นไรแล้วก็แยกกันแต่ว่าพระวินัยทรเมื่อกลับมาแล้วก็แจ้งแก่พวกลูกศิษย์ของตนว่าพระธรรมกะึกต้องอาบัตแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัตฝ่ายพวกลูกศิษย์ของพระวินัยทรก็บอกแก ba, ่กลูกศิษย์ของพระธรรมกะึกว่าอุปชาอาจารย์ของท่านต้องอาบัตแล้วก็ไม่รู้พวกลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่า ก็พระวินัยทรบอกว่าไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่ได้จงใจแล้วกลับมาว่าเป็นอาบัติพระวินัยทรพูดมุสาวาพวกลูกศิษย์ก็กลับไปบอกก็เลยเกิดวิวาททุ่มเทียงกันแตกกันเป็นสองพวกจนถึงฝ่ายพระวินัยทรได้โอกาสก็ทําอุเคปเนิยกรรมคือว่าประกาศยกวัดพระธรรมกถึกก็เป็นเรื่องให้ทั้งสองฝ่ายนั้นแตกกันจนถึงกลับไม่ลงโบสถ์กันซึ่งเรียกว่าเป็นสังฆเภทคือสงแตกกัน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 มีทาเป็นเครื่องอยู่ต่างกันหมายความว่าแยกกันกระทาสังฆกรรมเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงดำเนินการระงับด้วยพระองค์เองด้วยประธานพระโอวาทเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นยอมผ่อนปรนเข้าหากันแล้วก็ทรงเตือนฝ่ายที่ทำการยกวัดว่าก็ไม่ควรจะรีบหลุนพลันกระทาเมื่อเห็นว่าจะแตกกันพระเหตุนั้นก็ยังไม่ควรจะกระทาก่อนก็ทรงเตือนอีกฝ่ายหนึ่งว่า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 ก็ยังให้อภัยกันและปรองดองกันได้ก็ทำไมพวกภิสษุนซึ่งไม่มีเรื่องอะไรหนักหนาเพียงแต่ทุ่มเถียงกันด้วยอาบัติเล็กน้อยว่าข้อนี้เป็นอาบัตข้อนี้ไม่เป็นอาบัติเท่านั้นก็ควรที่จะปรองดองกันได้และในที่อื่นเช่นในโกสัมพิยสูตรสูตรที่ตรัสในกรุงโกสัมพีก็ได้กล่าวว่าได้ทรงประทานพระโอวาท ด, ด้วยสารานิยธรรมหกประการ ดังที่มีความแจ้งอยู่ในสารานียธรรมหในหมวดหนั้นแต่ก็ยังไม่เกิดความปรองดองขึ้นได้จึงได้เสด็จลีออกจากกรุงโกสัมพีไปประทับอยู่ในป่าที่เรียกกันว่าปาริเลยกะไทยเราเรียกว่าป่าเลไลและในชั้นบาลีก็ไม่ได้บอกว่าจำพรรษาที่นั่นแต่ว่าในชั้นอัตถกถาได้เล่า ว, ว่าได้ประทับจำพรรษาอยู่ที่ป่า ปาริเลยกะกันนั้นเป็นพรรษาที่สิบเพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งตามที่พระอัตฉริยจารย์ท่านว่าไว้ก็ควรจะเริ่มภรรษาที่สิบตั้งแต่เสด็จออกจากกรุงโกสัมพีเสด็จสู่ปาริเลยะกะนสำหรับในชั้นบาลีนั้นได้มีเล่าสืบต่อกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทให้ปรองดองกันไม่สําเร็จในวันรุ่งขึ้นก็ทรงถือบาดจีวร เสด็จเข้าไปบินทบาทในกลุ่มโกสัมพีครั้นเสด็จกลับจากบินทบาทแล้วก็ทรงเก็บเสนาสนะทรงถือบาทจีวรของพระองค์ด้วยพระองค์เองแล้วก็ประทับยืนในท่ามกลางสงได้ตรัสขึ้นโดยความว่าบุคคลที่มีเสียงดังเป็นคนเสมอกันสักคนหนึ่งก็ไม่รู้สึกว่าตนเป็นคนเขาเมื่อสงกำลังแตกกันอยู่ก็ไม่บังเกิดความรู้สึกถึงเหตุผลอื่น ยิ่งไปกว่าทะเลาะวิวาทกันผู้ที่หลงลืมสติแสดงท่าว่าเป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดมักจะเป็นคนที่เอาแต่เที่ยวพูดเพ้อเจอ้อไม่เป็นสา ร, กระกราตนาที่จะต่อปากต่อคํากันออกไปก็ยอมจะไม่รู้สึกถึงการทะเลาะวิวาทที่เป็นเหตุชักจูงให้เป็นไปบุคคลที่ผูกโกรธอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทาร้ายเราได้ชนะเรา ได้ลักสิ่งของของเราไปเวนของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบส่วนบุคคลที่ไม่ผูกโกรธอยู่ดังนั้นเวนของเขาย่อมสงบระงับได้เพราะว่าเวนย่อมไม่ระงับด้วยเวนในการไหนๆแต่ว่าย่อมระงับด้วยความไม่จองเวนนี้เป็นธรรมที่เก่าคนอื่นๆย่อมไม่รู้สึกว่าพวกเรากำลังจะย่อ ย, ยับกันอยู่นับบัดนี้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 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสในท่านกลางสงฆ์ที่วิวาทกันโดยความดังนี้แล้วก็ได้เสด็จออกจากโคสิตารามนั้นไปสู่หมู่บ้านของคนทําเกลือ อ, อ่ อ, อนๆหมู่บ้านหนึ่งณที่นั้นก็ได้ส่งพบกับพระภิสุรูปหนึ่งชื่อว่าท่านปคขุท่านได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ได้ทรงทาปฏิสันถานการปฏิสันฐานใช้ถ้อยคาทั่วไป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 ไม่ลำบากด้วยมิถบากพระองค์ก็ได้ตรัสเทศนาให้เกิดความเห็นแจ้งในธรรมแล้วก็เสด็จต่อไปอยังป่าที่ชื่อว่าป่าจีนวังสะทายวันซึ่งเป็นที่อยู่ของพระเถระสารูปคือ 1. พระอนุรุท ธ, ธัตอ 2. พระนันทยะ 3. พระกินพิรัตท่านทั้งสามนั้นก็ได้ถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงทำปฏิสันฐานเช่นเดียวกันนั้น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 จึงได้อยู่พรองดองกันดีท่านทั้งสามนั้นก็ได้กราบทูลว่าท่านได้พากันคิดว่าเป็นลาบของเราเราได้ดีแล้วที่ได้มาอยู่ร่วมกับพระมารดาลีทั้งหลายเหมือนเช่นนี้จึงได้พากันตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในการและกันทั้งไหนที่รับทั้งไหนที่แจ้งและก็ได้พากันคิดว่าฉนหนเราแต่ละรูป จะพึงเก็บจิตของตนและประพฤติไปตามอํานาจแห่งจิตของอีกสองท่านเมื่อได้คิดดังนั้นแล้วจึงได้ประพฤติไม่เอาแต่ใจของตนเองแต่ว่าคิดถึงใจของผู้อื่นและอนุวัตตามเมื่อต่างพากันคิดถึงใจของผู้อื่นไม่เอาแต่ใจทางตนและก็อนุวัตตามกันอยู่ดังนี้ถึงแม้ว่ากายจะต่างๆกันแต่จิต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 ปฏิบัติอย่างไรที่บอกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นท่านทั้งสามก็ได้กราบทูลว่าทั้งสมรูปนั้นรูปใดกลับจากบินทบาทก่อนรูปนั้นก็ปูลาดอาสนะเตรียม น, น้ําล้างเท้าต่างล้างเท้าผ้าจัดเท้าไว้ล้างภาชนะสําหรับใช้สอยตั้งไว้และตั้งน้าดื่มน้ําใช้ไว้ส่วนรูปใดกลับจากบินทบาทภายหลังถ้าว่ายังมีพระตาหารเหลืออยู่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 ได้ทำกรกถาตลอดราตรีทั้งหมดทุกวันห้าค่ำและก็ได้พากันอยู่ด้วยความไม่ประมาทดังกล่าวมานี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้ท่านทั้งสามนั้นเห็นแจ่มแจ้งแล้วก็ได้เสด็จต่อไปยังป่าปาริเลยะกะและก็ได้ประทับอยู่ที่ดงชื่อว่ารักิตวันใกล้กับปาริเลยะกะนั้นท่านแสดงว่าได้ประทับอยู่ที่โคนไม้สาระต้นหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นโตใหญ่อยู่ในดงนั้นปาริเลยยกะนั้นท่านว่าเป็นชื่อของหมู่บ้านคือว่าเป็นหมู่บ้านป่าและก็มีดงอยู่ในที่ใกล้กันนั้นชื่อว่ารักกิตาวันพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่ดงรักกิตวันนั้นพระองค์ก็ได้ทรงคำหนึงถึงว่าได้ประทับอยู่อาเกียนคือเกลื่อนกลนวุ่นวายไปด้วยหมู่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่ทะเลาะวิวาทกันบัดนี้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 ได้มีเล่าขยายความถึงวิธีที่ช้างปฏิบัติพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรและได้มีความรักนับถือในพระพุทธเจ้าอย่างไรทำการรักษาพระองค์อย่างไรและก็ได้เล่าถึงเรื่องวานอนตัวหนึ่งได้เห็นช้างมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ก็คิดอยากจะปฏิบัติบ้บางจึงไปหักเอาโรงพึ่งเก็บเอาตัวอ่อนๆอ อ, นออกหมดแล้วก็ได้ไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรับ แล้วทอดพระเนตรเฉยอยู่วานนอนนั้นก็ตรวจดูเห็นยังมีตัวอ่อนอยู่ก็เอาออกอีกจนสิ่งตัวอ่อนแล้วก็ได้ถวายพระพุทธเจ้าอีกพระองค์ก็ได้ทรงบริโภคเสวยน้ําผึ้งนั้นวานนอนนั้นก็มีใจยินดีขึ้นต้นไม้ก็เต้นจนกิ่งไม้หักลงมาเสียบเข้ากับต่อไม้ข้างล่างก็กระทําการกิริยาในขณะนั้นเรื่องลิงนี่ในชั้นบาลีไม่มี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 ในชั้นบาลีมีเล่าไว้เท่านี้แต่ว่าในชั้นอัตถกถาได้มีเล่าไว้โดยพิสดารความย่อว่าบรรดาเศษรษฐีคฤหะบดีซึ่งเป็นชานครสาวถีผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้ขอให้พระอา น, นุ์ไปทูลเชิญเสด็จกลับมาไปสู่กรุงสาวถีพระอานนุ์พร้อมกับภิกษุก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่าริลเลยกักะนั้น ช้างได้เห็นพระมาไปอันมากก็ถือท่อนไม้วิ่งไปด้วยคิดว่าเป็นศัตรูพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงห้ามว่านั่นเป็นพระอานุลพุทธอุปถาช้างจึงได้ทิ้งไม้และก็ได้ทําการต้อนรับพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกกับพระอานุ์และพระภิกษุในวันนั้นแต่ช้างก็เดิมายืนขวางทางไว้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบความประสงค์ว่าต้องการที่จะปฏิบัติพระสักวันหนึ่งก็เสด็จกลับไป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 จนเข้าเขตคนอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามว่าให้หยุดอยู่แค่นี้เพราะต่อไปเป็นเขตคนอยู่มีอันตรายช้างนั้นก็มีความอาลัยเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จลับคลองจากสู่ไปก็หัวใจแตกทำการกิริยาท่านเล่าไว้ในอตคคาถาดังนี้และก็เรียกชื่อช้างนั้นว่าช้างป่าริกเลยะกะต่างชื่อป่าที่ช้างได้ไปไปฏิบัติพระพุทธเจ้า